อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจร์ทั้งหลายเวลานี้การสมาทานพระกรรมฐานของทาา่านได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้ให้ชื่อว่าหมดอาหาเรปฏิกูรสัญญา สำหรับหมดนาหาเรเบริกูรัตัญญาณนี่เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปิสุสมณี น, นถึงแม้ว่าอุบาสุกอมบาสิกาก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันแต่ได้ว่าที่มีความสำคัญน้อยหรือสาคัญมากกว่ากันก็เพราะว่า บรรดาพิสุสมนเนที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนา <c oughs> ที่ต้องตกนรกเพื่อขาดหารีบริโกสัญญานี้คิดว่าไม่น้อยกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้และก็ไม่ได้สนใจในหารีบริโกสัญญา สำหรับอาหาเรียริกรสัญญานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสไว้เพื่อบรรดาลพิสุทสงฆ์ทั้งหลายที่เข้ามาอุปสมบทบรรพชาเมื่อก่อนที่จะฉันพัตตาหารให้พิจารณาเป็นอาหาเรียริกรสัญญาเสียก่อนโดยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ฉันเพื่อรส่อย เราจะไม่ฉ <necessary. S 2> ันไดยติดในรสของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในกลิ่นของอาหารเราจะไม่ฉันในเพราะติดในสีของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในอาการคือสภาพของอาหารเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะกินเพื่อยาดภาพให้เป็นไป นี่ก่อนจะฉันอาหารทุกคราวบรรดาบิสุสมณีทั้งหลายจะต้องพิจารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระเชณนสีทรงตรัสต่อไปว่าถ้าไม่ได้พิจารณาแบบนี้ฉันอาหารเข้าไปแล้วมีโทษถึงตกนรกเพราะว่าท่านกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณาด้วยหาเรียบิตรีโกดสัญญาณแล้ว กิงก้อนเหล็กที่เผายนแดงชนดีกว่าเพราะเด็กกัเด็กที่เผายนแดงชนมีความสุขมีความร้อนมาก <c oughs> เมื่อกิงเข้าไปถึงปากก็ปากพังถือถ้าถึงคอคอก็พังเพราะความร้อนเมื่อถึงอกอกก็พังเมื่อถึงท้องท้องก็พังแล้วก็ตายแต่ตายเมื่อไรความร้อนก็หมดไปมั น, น, นหายร้อน <c oughs> แต่ว่าพิสุสมณีนี่ันะหันไม่ได้พิจารณาเป็นฮาเร่บริกูรสัญญากินเข้าไปแล้วเวลาตายจะต้องตกนรกการตกนรกนั้นใช้เวลานานเป็นกับจะต้องมีความร้อนเพราะถูกไฟเผาผลาญในนรกและไฟในนรกก็มีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาหลายหรือว่าหลายล้านเท่า นอกจากถูกไฟเผาแล้วยัต้องถูกสัพพันธ์แลสันผาวุธซึ่งมีความลําบากมากกว่าฉะนั้นในบทธรรมวัดเย็นหรือว่าธรรมวัดเช้าเขาใชัยกันตามโบติเขาใช้กันทั้งธรม ร, ธรมวัดเย็นและธรรมวัดเช้าใช้บทปริสังขายโยอิโสปินาปาตังบ้าง ใ น, นกรณีกับสามบทน่ะไปสังขาโยนในโสจีวหลังบ้างไปสังขาโยนในโสกิลาบ้างความจริงในวันว่าบทนั้นน่ะเป็นการพิจรารณาไม่ใช่ว่าจึงคล้องปากว่าแบบข้องปากว่าแบบนกแก้วนกุ้นทองไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเป็นอนวุวาบท หมดคำว่าอาเร่ปฏิโกฏสัญญานี้เป็นจุดบังคับสำหรับบรรดาพิสุสงฆ์และสมัญใ น, นที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าหวังความสุขถ้าบาังเอิญไม่เคยใช่เลยก็ตั้งอกตั้งใจลงนรกเขาไวเพราะยังไงยังไงมันก็ลงนรกกันแน่มันในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องลงนรกมันก็ต้องลงกัน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบวชเขามาเมา ม, มันในอำนาจอำนาจของกิเลสการจะฉันข้าวก็ดีการจะฉันการจะ น, นุ่งห่มผ้าก็ดีท่านให้พิจารณาไปแสงค่ายโยริโสจิวรางปิเเสวามิาหมายความว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสีที่สวย เราจะไม่พียารณาว่าผ้านี่มีเนื้อดีเนื้อสวยเป็นผ้าแพรผ้าปานผ้าฝ้ายเป็นต้นเราจะนุ่งห่มเพากันความหนาวกันความร้อนกันเลอบอยุงกันความอายเท่านั้นนี่เขาพิจารณากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าแหมดูผ้าผืนนี้สวยดีนะเนื้อดีไปที่นี่ผ้าผืนนี้เถอะมันสวย ถ้าผ้าสีนี้ถตามันสวยถ้าลักษณะผ้าที่มันดีจะได้โชว์เขาได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตกนรกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะทรงบวชทรงห่มผ้ายอมน้ำฝาดเป็นการตัดความสวยงามเวลาฉันพระตาหังก็เหมือนกันจะต้องพิจารณาเสียก่อนก่อนที่จะฉัน ความจริงก่อนที่เราจะมากินเราพิจรารณาเสียทั้งวันก็อย่างได้ที่ว่าเราจะกินอาหารพิษยาตาภาพให้เป็นไปจะไม่ติดในรสจะไม่ติดในกลิ่นจะไม่ติดในสีจะไม่กินด้วยความอ้วนทีจะไม่กินด้วยความผ่องใสจะกินพิษยาตาภาพให้เป็นไปฉะนั้นพระในสมัยพระต่ายเจ้าที่ทรงไปชนอยู่ แม้แต่สมเด็จพระบรมครูเองก็เหมือนกันบินบำบัดได้อะไรมาอย่างไงเช่นก็ฉันอย่างนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์และทรงเป็นกษัตริย์ด้วยก็ไม่เลือกในอาหารตัดรดอาหารเสียตามความนิยมมาฉันอาหารตำ ม, มีตามได้ ท่าเรามากล่าวเกีกันท่ยนถึงการพิจารณาเพื่อเจริญพระกรรมฐานในมหาเรย์ปิโกฤสัญญาและก็จงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเจริญกรรมฐานกองใดท่านจะทิ้งอารมณ์สมาธิเสียไม่ได้สําหรับมหาเรย์ปิโกฤสัญญานี้เป็นสมาธิด้านคิด แมื่ว่าถ้าเราจะใช้แต่อารมณ์คิดอย่างเดียวอารมณ์จิตจะฟุง้งซ่านฉะนั้นจงใช้อารมณ์ทรงอารมณ์ทรงก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเรียคำภาวนาว่าพุทโวเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลา ใ, ใจออกนึกว่าโธถ้าตั้งจิตในรมสามฐานได้ทุกขณนะก็จะดีมาก เมื่อทรงคํำมั่นนาวัตถุทโธร่วมกับลงให้ใจเขาออกจิตสบายอารมณ์เป็นสุขการเจริญพระอกรมฐานเรามีความต้องการกันอยู่อย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขคําว่าอารมณ์เป็นสุขก็หมายความเป็นสุขทั้งที่ทรงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติพระกรรมฐานและก็เป็นสุขเมื่อได้รับคำประรับประวาดจากบคุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกัน อย่างองค์สมเด็จพระทรงฆ์ท่นบรมศาสดาถูกนางมาคณียาจ้างทาสกรรมกรด่าก็ดีนางกินดมานิกาแกล้งกล่าวหาว่าองค์สมเด็จพระญินสีไปทําเธอให้ท้องต่อหน้าทารละกําลังคนดีแล้วอย่างที่พระมันด่าองค์สมเด็จปัญญาศีต่อหน้าบรรดาพุทธบริษัยก็ดี สมเด็จพระเยซีทรงมีพระอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธพรามไม่ได้โกรธมานางมารินยาไม่ได้โกรธคนด่ดาไม่ได้โกรธจินตมานิวิกาสมเด็จพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณมีจิตเยือกเยน็นเป็นปกติมีอารมณ์สงัดไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้าย ทั้งนี้พ่อไรเพร ะ, อ, ะ, รพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศักดิ์สนัยเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีสภาพเป็นสัตว์นรกเสียแล้วคําว่าเป็นสัตว์ในรกนี้ไม่ได้แกล้งกล่าวพูดพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคีริตเต ท, ทุกติปาติกังขาขนาดใดจิตใจเขาบุคคลใดสศมองขนาดนั้นย่อมตายไปแล้วย่อมไปสู่อาบายภูมิ ฉ่นั้นคนที่มีอารมณ์หยาบมีอารมณ์เลวประเภทนั้นอย่างจินตามานิวิกาแกล้งกล่าวหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าไปทำให้คือท้องมักกล่าวต่อหน้าทาระกํานั้นในที่สุดนาง น, นั้นก็ตองลงอเวจีในชาติปัจจุบัน ฝ่ายว่า น, นางมาคันดียาเมื่อถูกเมื่อจ้างคุณด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องถูกลงโทษเชือดเนื้อแล้วก็ทอดบังคับให้กินจนกว่านางจะตายนี่เป็นอนุว่าคนโง่เท่านั้นที่สร้างอันตรายให้เกิดแก่ตนคือทำลายความเป็นมิตรของบุคคลอื่น ประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดฉะนั้นการเจริญกรรมฐานขอบรนดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการจิตเป็นสุขเพื่อได้รับคำชมเราก็ไม่ยินดีในคำชมรับคำติเราก็ไม่เดือดร้อนในทร่องคำติเพราะเรารู้อยู่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลว มันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวเพราะใสยถ้อยคำของบุคคลอื่นอันดับแรกนั้นคือมันดาท่านพุทธบริษัทแม้จะเจริญธรรมฐานในขั้ในข้อที่เรียกว่าอาหารเรปฏิโกสัญญาจึงอยากจะทิ้งอารมณ์สมาธิส่งตัวไม่ได้ เมื่อใช้อารมณ์สมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็มา น, นั่งพิจารณาว่าอาหารที่เราบริโภคไป น, นี่คำว่าปฏิกูนี่แปลว่าสกปรกอาหารทุกประเภศที่เราบริโภคอะไรบ้างที่มันสะอาดจริงๆมีไหมใช้สัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาสัญญาความจำมีจงจำไว้ จำไว้ว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันเลวในปัญญามีก็จงใช้ปัญญาพิจารณาคั่วเไยด้วยจะช่วยให้สัญญาสะอาดมากขึ้นเราก็มานั่งจำาึงสภาวะของเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาให้เมื่อเกิดมาพบพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างไรหลักสูตรโดยโตรงก็คือหนึ่งสัพปะปาปัสาการนังให้งดการกระทำความชั่วเสียทุกอย่างสองกุศลโ ส, รสประสมทาสร้างแต่ความดีสีอสามปจิตตปริโยทปั น, นงังทำจิตใจของสายปราศจากกิเลส เอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าสมศักดิว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นอนุว่าเราต้องมีสัญญาจําให้ได้บวชเข้ามาแล้วขึ้นชื่อว่าการกระทําไม่ดีการพูดไม่ดีการคิดไม่ดีจะไม่มีสัหรับเราแลว้วเราจะจเราจะพูดดีทดําดีคิดดีจิตน้อมไปในกุศล แล้วก็ทำจิตของตนให้ปราศจากกิเลสเป็นสมุเทเฉตบหารนี่เป็นการจําขั้นแรกในการที่เรากล้าเข้ามาสูเ่ขเขตพระพุทธศาสนาถ้าเราทําความชั่วก็สแสดงว่าเราเลวเกินไปสําหรับเขตพระพุทธศาสนานี่ตอนนี้เราจํามาตอนต้นเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ แล้วต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวุณีกม็มาสอนให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรีริกูรสัญญา่ อ, อนที่จะพิจารณาใช้สัญญาพิจารณาเสกก่น อ, อนว่าคำแนะนำข อ, ององค์สมเด็จพระชินวรบรมรสาสสะสันดาสมาสุภเจ้าสอนเราตอนนี้มันแน่หรือไม่แน่จริงหรือไม่จริง หรือว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดขึ้นมาเฉยๆรงรักทรงโดยไรยเหตุไรผลเราก็มานั่งคิดทึงคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทพรัตน์ว่าก่อนจะฉันอาหารแลืก่อนจะบริโภคอาหารให้พิจารณาว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกปรกเราก็ไปดูข้าวที่เราบริโภค ข้าวที่เราบริโภคนี่สะอาดได้ว่าสกปรกพื้นฐานเดิมมาจากอะไรพื้นฐานเดิมก็มาจากพืชที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินปุ๋ยที่จะบำรุงให้ข้าวงอกงามขึ้นมาได้จนทั่งมีเมล็ดปุ๋ยทุกประเภทเป็นของสกปรก ดันั้นบันดาพืชผักทั้งหลายที่เป็นอาหารที่เรานำมาบริโภคก็มีสภาพเช่นเดียวกับข้าวเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นมาจากความสกปรกทั้งสิ่งเมื่ออาหารของต้นข้าวต้นยาต้นผักที่บริโภคที่ทำตนให้เจริญขึ้นมันสกปรกต้นข้าวต้นยาทั้งหมดที่เราบริโภคก็เป็นของสกปรก ถ้าไม่สุกปรกเราไปดึงมาก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องทําอะไรทั้งหมดกินได้ทันทีแต่นี่เราไม่ยอมกินทันทีข้าวถึงไม่เวียสีเป็นข้าวสารแล้วเวลาจะหุงก็ต้องซาวน้ําก่อนไล่ของสุกปรกแล้วจึงหงุงเราจึงกินสําหรับ บรรดาผักทั้งหลายที่ทําอาหารประกอบกับข้าวก็เช่นเดียวกันนํามาใหม่ๆเรากินไม่ได้ต้องล้างเสีก่อนชําระล้างดีแล้วผักบํ า, บาระเพืชเราบริโภคดิบๆได้แต่เราต้องล้างอย่างดีไอ้การล้างเนี่ยแสดงว่าเรารู้เราสกปรกนี่เราต้องจําำทีนี้ถ้าเขามาผสมไปอาหาร มีอะไรบ้างถ้าแกง ม, มันก็มีพริกมีกะปิมีปลามีอะไรต่ออะไรก็ปินี่สกรกระกสะอาดพริกเป็นพืชมาจากความสกรกระกยิ่งกะปิก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ำประเภทหนึ่งมันทามาจากกุ้งก็เต็มไปได้วยความสกระบรกเวลาที่เขาโคลกให้เราจะให้เรามากิงกันก็ก็ใช้โคลในครบใหญ่ รกมันก็สกรปรกซากมันก็สกรปรกแล้วสิ่งทั้นหลายเหล่าอื่นที่มันหล่นลงไปในกระปินั้นเองเโคลกมันก็สกรปรกตัวสัตว์เองกุ้งถ้าเรานํามากินนํามาแล้วไม่ล้างแล้วก็กินไม่ได้เราเหม็นข่าวสัตว์ทั้งหลายที่เรากินก็มีสภาพเหมือนกันมีน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองมีจาระปัสสาวะมันเป็นธาตุมาจากความสกรปรก เวลาที่ประกอบไปอาหารแล้วอาหารประเภทที่เราชอบที่สุดอะไรก็ตามเวลาจะกินมันจะเลือกเอาอาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้ทำอาหารอย่างโ น, น้นทำให้มันดีที่สุดที่เราชอบกินเวลาหิวไอหิวก็โมหะคือความหลงมันตัวเดียวกันมันหอไม่กัน <c oughs> เวลาหิวจริงๆนี่มันไม่เลือก ถ้าหิวจัดๆ จ, จ, จริงๆข้าวบดเราก็กินได้เอาน้ำมาสาวๆถ่เราก็กินได้ไม่หิวมากถ้าหิวน้อยข้าวบดกินไม่ได้แต่ข้าวเย็นก็กินได้ถ้ามันไม่หิวเลยอะไรล้วก็กินไม่ได้ในเวลาที่เราหิวโดยมากเราลืมพิจารณา แต่เหลือไม่หิวมากก็ตามโดยมากไม่จะติดในรสแต่อาหารติดในกลิ่นขอาหารลืมความสกปรกของอาหารอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคเข้าไปมันสะอาดที่มันสกปรกแกงอย่างดีเที่ยวแกงมาร้อนๆต้มหรือผัดอย่างดีนี่มันสะอาดและสกปรก แล้วก็ลองขึ้นมาพิจารณาขณะที่เรากินเวลาที่กินในตัวอยากคือตัณหามันเกิดเพื่อความหิวเกิดจากร่างกายลืมพิจารณาความสะอาดลืมพิจารณาความสุขภพกินเดิมหน่ายของความอยากกินเดิมหน่ายของความหิวอย่างน้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าพอกินเสร็จ ตอนนี้ท่ายัางไงลนะ่ะอิ่มแล้วมีความรู้สึกตัวปรากดว่าตายจริงกินข้าวกินอาหารแค่แล้วปากมันเหม็นข่าวจะปล่อยให้ปากเหม็นคาวอยู่อย่างนี้ทนไม่ไหวมันแหมกลิ่นมันไม่เป็นเรื่องทนไม่ไหวต้องรีบไปล้างปากรีบไปแปรงฟันชําระอาการสุรกับโรคกลิ่นข่าวจากปาก มือที่หยิบอาหารตอนแรกไม่ได้เคยคิดจะรังเกียจอิ่มแล้วสิไม่ล้างไม่ได้มันเหม็นข่าวมันสปกปรกต้องรีบร้างนี่ถ้ามนสะอาด จ, จริงๆเราจะล้างทำไมเป็นอันว่าอาหารใปฏิกรสัญญาณีหากว่าท่านพุนใดเจริญเป็นปกติจงเข้าถึงอารมณ์ฌาน ถ้าเข้าถึงฌานจริงๆมันจะเป็นนิพพิทายานในขันห้าถ้าเป็นนิพพิทายานในขันห้าต้นพื้นฐานก็าหารียบริคูรัสัญญาถ้าเราทําได้พื้นฐานอันดับต้นที่เราจะพึงได้ก็คือพระอนาคามีจัดว่าเป็นเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมาก นี่เรียกว่าแบบตนๆนนเอาแบบโง่ๆกัน <c oughs> คือศึกษากันอย่างโง่ๆถ้าศึกษากันอย่างโง่ๆในพื้นฐานถ้าอารมณ์นี้เป็นฌานอารมณ์นี้จะเป็นนิพพายญานจะเป็นพระนาคามีเริ่มต้นด้วนาคามีไม่ใช่เริ่มต้นด้ยวยปะโสดาบันมีความสําคัญมากไหม นี s, ่เขาพิจารณากันยังไงที่นีเป็นพระอนาคามีแล้วก็ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันแหละจะไปจะพิจารณาแบบอื่นไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้นี้ว่ากันถึงสุขภาพภายนอกทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิเอาปัญญาเข้าพิจารณานั่นมาเป็นสัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารที่มันสุกปร ก, น ก, นก์นี่เรากินเข้าไปในกายแล้วร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีร่างกายของใส่คนดีจะมีร่างกายของคนใดบางไหมที่สะอาดมีไหมใ น, นเมื่อร่างกายนี้มันเกิดมาจากพื้นฐานของการสุกปรก์ และก็มันจะมีความสะอาดได้ยังไงอาวัยวะทุกส่วนของเราที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาศัยอาหารที่สปกปรกเช่ น, นร่างกายที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาหารที่สปกปรกร่างกายทั้งหมดของเรามันก็ต้องสปกปรกจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้บอดทุกอย่างมันก็สกปรกหมด ในเมื่อร่างกายมาสุขเปล่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะน่ารักร่างกายจิตใจที่เราจะผูกพันในร่างกายว่าร่างกายมันดีร่างกายมันสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปรารถนาอยากจะมีคู่ครองการที่จะมีคู่ครองนี้ต้องกายเข้ามาประครับประคองให้ไม่เกิดความสุข เขาเลือกคนสวยแลเลือกคนลักษณะดีเรียกว่าเลือกคนสะอาดเราก็มาประคับประคองซึ่งกันและกันนี่ความจริงเราคิดว่ามาสะอาดแต่ถ้ามาพิจารณาถึงธาตุคืออาหารที่สร้างร่างกายให้เกิดขึ้นมันมาจากพื้นฐานแห่งการสุขภพแล้วก็มีร่างกายกายคนใดไหมที่มาสะอาด คนที่จะราคาประของแม้เมื่อดูแต่ภายนอกมองก็มองยากถ้าใช้วิญญายมันมองไม่ยากเพราะความสกรปรกของร่างกายและมันสกรปรกตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในข้างนอกก็มีเมื่อมีใครมีสิ่งโสโครกต่างๆที่เราต้องอาบน้ําชำระร่างกายแต่ก็เพราะว่าร่างกายมันสกรปรก ถ้ามันสะอาดเราจะล้างมันทำไมก็ปล่อยไมาอย่างนั้นอย่างเทรดากับพรหมและท่านที่ถึงพระนิพพานถ้าไม่เคยอาบน้ํากันเลยร่างกายของท่านหอมตลอดเวลาร่างกายของคนเหล่านี้ถ้าไม่รักษาผิวหนังสักวันหนึ่งจะมีความรู้สึกเป็นยังไงตัวของเราเองเราก็มีความรังเกียจ ฉะนั้นร่างกายของเราก็ดีร่างกายขเขาคนอื่นคนดีที่มาจากพื้นฐานแห่งอาหารสุขบรกมันก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขบลงเราก็หวนเข้าไปดูว่าอาหารเข้าไปสร้างอะไรบ้างอาหารเข้าไปสร้างเนื้ออาหารเข้าไปสร้างหนังอาหารก็ไปสร้างตับไตไส้ปอด อาหารเ็ไปสร้างน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะเสมหสะเสลต์ทำลายเป็นต้นน้ำมูกไขข้อมูดทุกสิ่งทุกอย่างไี่สะอาดและสดบรกใช้ปัญญาก็อยค่อยคิดถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคิดไปไม่ไหวก็ผนมาจากอนาปานุสติกรรมฐานกับคำภาวนาว่าพุทโธ ทิ้งอารมณ์คิดจะสู้คราวจับลมให้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโททาให้ใจสบายหรือว่าเวลาจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินอยู่ทํางานอยู่ก็มานั่งคิดถึงร่างกายของเราที่มันมาจากอาหารนึกถึงอาหารที่เราบริโภคนึกถึงสัตว์ที่เขายังไม่่า นึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างนึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าล้างแล้วคนล้างแล้วแต่ยังไม่ทำให้สุขเรากินได้ไหมเราก็ยังเห็นว่ามันสุขภพนึกถึงพันพืชต่ผักพืชตงหลายที่เราจะนำบริโภคมันอยู่กับบินอยู่กับน้ำมันก็มีสภาพสุขรพ เมื่อเขานามาล้างแล้วดิบๆบองทีเราจะกินไม่เค่อยได้ติว่าสกปรกเมื่อทําให้สุกผสมกับส่วนสกปรกทั้งหลายถือว่าเป็นอาหารมีรสเลิศมันก็เริ่มสกปรกมากขึ้นเว <c oughs> ลาหิวไม่สกปรกอิ่มแล้วเหม็นข้าวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ปัญญาเพ่ปัญญาของตนพิจารณาอย่างนี้จริงๆเมื่อจิตเข้าถึงอารมณ์ชาญ เก อ, อรรมชาญเก อ, อร์กอรรมทรงต้องพยายามทรงให้ดีพิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งใจสงบตัมาทีระน้อยระน้อยในที่สุดจิตหยุดเอาพิจรารณาอยู่เฉยๆนั่นจิตมันแสดงว่าจิตเข้าถึงอารมณ์ชาญหรือว่าเราจะทงธรรมอรรมชาญให้ทรงเสียก่อนได้นาปานุสติกรรมฐานด้วยคําภาวนาว่าพุทโธ จิตสบายไปรมชาญพิจนารณาแล้วปัญญามันจะเกิดมากอย่างนี้สน็จพระโู้มีพระภา่าเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยเกิดนิพิธา ย, ยางคือความเบื่อนหน่ายในขันห้าอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยสุนานเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดแล้วความจริงแค่นี้ก็เห็นว่าจะพอพอใช้พอกินพอใช้ทาใจใสบายได้ วันหลังพูดกันใหม่สำหรับวันนี้ต่อทานี้ไปข้าพนรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกพิจารณาในอาหาเรเลปฏิกุูปสัญญาจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี